สวัสดีครับท่านสาธุจนที่กรลวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมว น, น้สึกจะมากันหนาตาสักหน่อยวันนี้อาจารย์ได้เตรียมเรื่องดีๆมาคุยนะก็มีสนใจเรื่อง ในเรื่องอะไรนะครับสุญญาตาในเรื่องสุญญาตาเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังก่อนก่อนจะได้ฟังนี่ก้อย อ, อยากจะถามว่าตอนเช้าๆช้าท่านฟอนที่ห้าท่านได้ฟังรายการธรรมะที่ท่านอาจารย์สมบัติบรรยายและผมนำไปออกอากาศที่ที่สถานีวิทยุสวพหรือเปล่าคงจะฟังกันเนาะหรือว่าตื่นไม่ทันอ่ ก็มีทุกวันนะครับมีทุกวันแล้วก็มาเช้านี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่ฟังแล้วมีอะไรที่น่าคิดอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะเราลองฟังดูที่ว่าผู้ที่ติดตามรับฟังเป็นประจำคือคุณจะอุ่มมาอยู่ข้างๆบ้านผมเนยังตื่นฟังดังตีสี่นะอะพวก คุณจุมเป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วก็จับประเด็นธรรมะได้นะจับประเด็นที่สคาคัญสาคัญนะไม่ทราบว่ามาช้าี้คุณจุมมสนใจคำไหนนะครับจะมาเล่าอะไรฟังหน่อยได้ไหมครับนะเชิญนะครับคุณจุมกราบนมัสการท่านอาจารย์ อยากประสบการณ์ที่ผมได้ฟังธรรมะทุกวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อเชา้านี้ผมฟังแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็รู้สึกเห็นพระคุณของท่านอาจารย์สมบัติที่ได้บรรยายธรรมะตลอดมานั้นนะทำให้ผมได้รู้สึก เข้าใจธรรมะต่างๆได้มากขึ้นออโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้ถ้าทุกท่านได้ฟังก็พอที่จะจับประเด็นได้ซึ่งธรรมะที่กล่าวนั้นถ้าหากว่าเราฟังฟังกันที่ผ่านๆมาก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่ว่าธรรมดาธรรมเนี่ย ความไม่ธรรมดานั้นแหะอยู่ภายในภายในนั้นเอ่อที่ผมจับประเด็นได้สองประเด็นก็คือธรรมะซึ่งกล่าวถึงธรรมะสามประการอย่างหนึ่งกับธรรมะสี่ประการอย่างหนึ่งธรรมะสามประการนั้นคืออย่างไงธรรมะสามประการนั้นก็คือเป็นกุศลธรรม เป็นอกุศลธรรมและเป็นอัพยกตธรรมซึ่งเราฟังกันผ่านผ่านมาเราก็ไม่ค่อยจะได้มาสำนึกหรือว่ามาตรึกกันเท่าไหร่แต่พอเรามาฟังเมาชานี้ทำให้เห็นได้ว่าพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติกันมานั้นมักจะไม่ได้คํานึงถึงในเรื่องของกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมไปคํานึงถึงอัพยกตธรรมเป็นส่วนมาก อัพยากถาธรรมในที่นี้ก็หมายถึงการมคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐาลมเราจะมาสนใจอยู่เฉพาะในเรื่องของการมคุณส่วนในความเป็นกุศลอกุศล น, นั้นเราจะไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงจายึดถือในเรื่องของกามคุณว่ามันจะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ได้คำนึงถึง เอาแต่ว่าอย่างไรที่เราจะชอบเราที่จะยินดีนั้นเราใฝ่ใฝ่หาแต่เราไม่ได้ไปฝ่หาเพื่อที่จะให้กุศลธรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดอกุศลธรรมนั้นให้ให้น้อยลงนี่คือสภาพธรรมะที่เป็นสามประการที่ผมได้ฟังแล้วส่วนธรรมะสี่ประการนั้นก็คือยังไม่ได้บ่งชี้ไปถึงว่าเป็นอริยสัจสี่ บ่งชีอยู่เฉพาะแต่ว่าเป็นเรื่องของทุกขเป็นเหตุที่เกิดทุกทุกที่หมดไปกับปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ให้ทุกนั้นหมดเราก็มาสนใจแต่เรื่องคำว่าทุกทุกเราไม่ได้ไปนสนใจในเรื่องของออปฏิปทาในเรื่องของการที่เราจะกระทำอย่างไรให้หมดทุก แล้วทุกในที่นี้ก็ไปเข้าใจแต่เรื่องทุกกายทุกใจอย่างเดียวไม่ได้ไปเข้าใจถึงคําว่าในทุกขเนี้ยมีทั้งสิ่งที่ควรเจริญหรือมีสิ่งที่ควรละอยู่ในทุกข์เนี่ยอยู่ในข้อแรกเนี้ยนั่นก็คือกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่ที่อยู่ในฝ่ายที่เป็น ถ้าเราได้ตรึกได้พิจารณามากมากเราก็พอที่จะได้อาศัยการฟังเนี้ยเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองอันนี้จากการที่ที่ผมได้ฟังมาเช้านี้หลังจากที่ฟังแล้วผมก็อยากจะขอแถมนิดนึงว่าในวันนี้ที่ท่านอาจารย์จะกล่าวถึงนั้นได้ บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าจะกล่าวถึงในเรื่องของโมฆะราชาสูตรก็ทําให้ผมได้ไปติดตามเอกก็ขอมากล่าวให้ฟังไว้อีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเราอ่านแล้วทําให้เราเกิดความรู้เพิ่นขึ้นเมื่อก่อนนี้ผมสารภาพว่าผมไม่เข้าใจคาว่าสักกะสักกะคำว่าสักกะผมก็เข้าใจว่าเป็น เป็นเทวดาที่ว่าเป็นท้าวสักการแต่ว่าในสูตรนี้ได้บ่งได้ชี้ให้เห็นว่าคำว่าสักกานั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหมายถึงพระองค์ได้บรระชาออกมาจากตระกูลหรือจากออที่เรียกว่าสากยะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสักกา คำว่าสการ์นั้นหมายถึงผู้ที่มีทรัพย์มากทรัพย์มากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่เราเข้าใจกันที่เป็นทรัพย์เสียเงินทองไม่ใช่ทรัพย์ในที่นี้ในในโมฆราชสูตรนี้ทรัพย์มากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหมายถึงอริยทรัพย์เจ็ด ที่มีศรัท ธ, ธาเป็นต้นศรัท ธ, ธาศีลสุตตะจาระเริโอตปะปัญญานี่คือทรัพย์อริยรัพย์เจที่หมายถึงสักกะและยิ่งกว่านั้นทรัพย์ที่มีมีเพิ่มขึ้นจากอริยศัพย์เจก็คือโพธิปักคียธรรม3าเจ็ อ่านมีสติปัะฐานเซอิทธิบาทเซเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอสรุปเพียงเล็กน้อยเนี่ย ใ, ให้ให้ให้ท่านทั้งหลายได้ได้ฟังว่าประโยชน์ของการฟังประโยชน์ของการอ่านมีด้วยประการอย่างนี้ที่ผมได้เรียนได้ทราบขอบพระคุณครับ ทีนี้ขอทําความเข้าใจคําว่าสุญญตานิดหนึ่งก่อนสุญญตากับอนัตตานี่ต่างกันโดยคําพูดเท่านั้นเองเดีนะถ้าหากว่าเราจะเข้าใจคําว่าอนัตตาดีก็ควรที่จะเอาคําว่าสุญญตานี่มาเป็นคําอธิบายอนัตตาหรือถ้าจะเข้าใจคําว่าสุญญตาดีก็เอาอนัตตานั่นแหละเป็นศัพท์ที่อธิบายคําว่าสุญญตาคําว่าสุญญตานี้โดยศัพท์นี่แปลว่าว่างความว่างว่างนั้น ตาตัวนั้นแปลว่าความสุญญาณนี่แปลว่าว่างหม้อว่างเรือนว่างคำว่าหม้อว่างนี้หม้อมีไหมหม้อมีแต่ว่าในหม้อมันไม่มีอะไรคำว่าเรือนว่างเรือนนี่มีไหมบ้านเรือนเนี่ยมีแต่ไม่มีใครอยู่ในเรือนก็เลยเรียกว่าเรือนว่าง รถว่างก็คือรถที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นอ่ะเรียกว่ารถว่างว่างนั้นเช่นอ่ะเออมีมีใครนั่งเบาะหลังไหมเบาะมันว่างๆอ่ะไม่ใช่เบาะไม่มีนะเบาะมีแต่ว่าไอตรงนั้นอ่ะมันไม่มีใครนั่งเรียกว่าเบาะว่างที่นั่งว่างตรงนี้ว่างไหมว่างแต่ที่นั่งมีแต่ไม่มีใครอยู่อันนั้นเรียกว่าว่างคําว่าอนัตตก็ลักษณะเดียวกันไอคําว่าว่างในที่เนี้ยอะไรว่างนะ ก็บอกว่าเมื่อเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ว่างมันก็ต้องมสีสภาวะที่รองรับไอ้ความว่างอันนั้นเพราะฉะนั้นข้อความในโมคราชโมคราชปัญหานิเทศในปรายณวัคปรายณวัคคัมพีสุตตะนิบาศลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีสิบหกคนเข้าไปถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพโมคราชนั้นท่านถามปัญหาต่อจาก พระอาชิตะพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็ปล่อยให้ท่านเนี่ยรอไปเรื่อยๆครบอกอินทรียังไม่แก่กล้ า, านะรอไปก่อนทีนี้จนมาถึงลำดับที่สิบห้าท่านนะลูกศิษย์คนอื่นๆเนี่ยถามไปแล้วสิบสิบสี่คนเนี่ยนะท่านเป็นคนที่สิบห้าก็เลยถามปัญหากับพระพุทธเจ้าหยิบเฉพาะข้อความที่ท่านเอามาถามว่าข้าพระองค์ มีปัญหาที่จะทูลถามจึงเข้ามาเฝ้าพราะองค์นะมีมีปัญหามีข้อข้องใจมีความสงสัยจึงเข้ามาหาผู้มีปกติเห็นธรรมะอันงามอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติเห็นธรรมะที่งามนะเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นเองประเด็นของคำถามก็ถามว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรจากมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็น ดูโลกยังไงเนี่ยนะมัจจุราชจึงมองไม่เห็นคําว่ามัจจุราชเนี่ยนะมัจจุราชเนี่ยแปลว่าความตายฟังกันเห็นโลกยังไงจึงจะไม่ตายฟังกันเถอะพูดอีกในหนึ่งนะเห็นโลกอย่างไรจึงจะไม่ตายหรือว่าเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นเห็นนะะคำว่ามัจจุราชนั้น <c oughs> เขาบอกว่าเป็นชื่อของความตาย ความตายก็ชื่อว่ามัจจุราชหรือว่าพยามานก็ชื่อว่ามัจจุราชนีนะทั้งความตายทั้งพยามานก็ชื่อว่ามัจจุราชทั้งกิเลสมารอภิสังขารมารเทวปุตตมานเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะบุคคลเห็นโลกยังไงอ่ะมารเหล่านี้จึงจะมองไม่เห็นมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นโดยเฉพาะความตายมองโลกยังไงจึงจะพ้นจากความตายพระองค์ก็เลยตอบว่าดูก่อนโมฆราช เธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ัน้นเอมีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตนานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ข่า ม, มัจจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยวิธีนี้วิธีที่จะทำให้มัจจุราชมองไม่เห็นเนี่ยนะหนึ่งเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์หรือว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติทุกเมื่อแล้วก็ถอนอัตตานุทิฏฐิคือถอนส ก, กายะทิฏฐินั่นเองคาว่าเห็นเอาเอาแยกคาโดยคาก่อนคาว่าเห็นเป็นชื่อของอะไรคาว่าเห็นนะเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาเห็นโลกนะปัญญาที่เข้าไปเห็นโลกคาว่าโลกคืออะไรโลกเนี่ยนะต้องเอาคติห้ามาเป็นเครื่องอธิบาย นะเช่นโลกนรกโลกของเปรตโลกของสัตว์เดรัจฉานโลกมนุษย์หรือเทวโลกหรือว่ามนุษย์สกติเทวคติเนี่ยนะหรือว่าโลกที่เรียกว่าขันธโลกอายตนะโลกหรือทาตุโลกเหมือนกันขันธธาตุอายตนะก็นับว่าเป็นโลกเคยยินนะโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลก4ี่โลกห้านั่นแหละ โลกหนึ่งคือสัพเพสตาหารถิติกาโลกสองคือนามรูปโลกสคือเวทนาสาโลกสี่คืออาหารสี่โลกหคืออุปาทานขันหโลกหกคืออายตนาภายในหโลกเจดคือวิญญาณทิติเ จ, ญญเจโลก8คือ โลกธรรม8โลก9คือสัตวว่าดเก้าโลก10อายตนะสิโลก12องายตนะสิโลก18ได้แก่ท่าสิบแปเดี๋ยนะมองเห็นโลกเหล่านี้โดยความเป็นของศูนย์หรือเป็นของว่างของเปล่าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโลกเหล่านี้ไม่มีมีแต่เป็นทุกข์สัตย์แต่มองให้เป็นของว่างให้มองให้เป็นของเปล่าเนี่ยนะ เมื่อกี้กล่าวถึงมองบ้านเปล่าใช่ัหมมองบ้านร้างมองรถว่างมองห ม, ม้อว่างหม้อเปล่าเนี่ยนะเมื่อไรที่จะมองเห็นขันธาตุอายตนะเป็นของว่างของเปล่าอย่างนี้เห็นไหมหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือโลกนี้เช่นพวกเราทั้งหลายมนุษย์โลกเนี่ยนะโลกหน้าก็คืออื่นจากนี้ไปอีกอันนี้เ น, น้นโลกภายในตัวเราเองอ่ะนะโลกในภพนี้กับโลกที่จะมีต่อไปในภพหน้า หรือว่าพรหมโลกกับทั้งเทวโลกสัพรพสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะในขันธาตุอายตนะหรือว่าที่สมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลภายในภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะเห็นโลกเหล่านี้โดยความเป็นของว่างโดยความเป็นของเปล่าว่างนันคำว่าว่างเปล่าหรือศูนย์นี่นี่นศูยะนี่เป็นภาษาบาลีนะมาจากสุญยะสุญยะภาษาไทายใช้คาว่าว่างเปล่า ทีนี้คำว่าโลกเอาใหม่นะเขาบอกว่าพิจารณาเห็นโลกท่านพระสารีบุตรยกข้อความจากพระสูตรพระสูตรหนึ่งมากล่าวว่าพิสุรูปหนึ่งได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสวันโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไหรหนอจึงตรัสวันโลกพระพุทธเจ้าข่านะคำว่าโลกนี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะอะไรจึงชื่อวันโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุที่เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายสิ่งใดที่จะต้องแตกสลายหรือจะต้องแตกทําลายไปสิ่งนั้นชื่อว่าโลกพูดในหนึ่งก็คือมันเหมือนกับหม้อแตกะนะหม้อดินมันต้องแตกแน่นอนอะไรที่มันต้องแตกอันนั้นแหละเรียกว่าโลกเห็นไหมเช่นขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกพวกนี้แตกหมดอะ่ะไม่มีอะไรที่ไม่พังเหมงอนกันเพราะมันเป็นของผุพังของเปื่อยเน่าอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็บอกว่าถ้าผิวหนังเนี่ยนะถ้าใช้ของผุพังนี่ไม่ค่อยเห็นนะถ้าใช้คำว่าเปื่อยเน่านี่มองเห็นแต่ทำหม้อภาชพวกหม้อดินพวกเนี้ยนะบอกว่าเป็นของผุพังนะเป็นของสลายเนี่ยมองเห็นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะต้องแตกสลายสิ่งนั้นเชื่อว่าโลกถามว่าอะไรละ่ะเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายจักสุต้องแตกสลายเคยคิดนะ เออการเห็นของเรานี่จะไม่ได้เห็นอีกต่อไปนะเพราะจะต้องแตกสลายจากโคเนี่ยแตกสลายสีที่เห็นเนี่ยนะภาพที่เห็นทั้งหมดสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งนี้จะต้องแตกสลายเนี่ยนะถามว่าตรงนี้เนี่ยเรามองโลกในในแง่แง่ไม่ดีใช่ไหมเขาไม่ไม่เรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายหรอกเขาเรียกว่ามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยนะมองโลก ตามสภาพที่เป็นจริงของโลกตามสภาพที่เป็นจริงของตาตามสภาพที่เป็นจริงของสีคือต้องแตกสลายถามว่าเคยเห็นอะไรที่มันเหมือนเดิมเห็นเมื่ อ, อไหร่ก็เท่าเดิมหมดเลยสมัยเด็กเด็กเห็นยังไงอายุมาเท่านี้ก็เห็นเหมือนเดิมมีไหมเ น, นะโดยเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยนะแต่ละปีเนี่ยเก็บภาพถ่ายไว้ดูเถอะเนี่ยนะเปลี่ยนไปเรื่อยเรยเมื่อสามสปีที่แล้วนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะ มันเชื่อถามคุณนิรามาณนเะมื่อ30ปีที่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเ <c oughs> นี่ย น, นะ <c oughs> เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องแตกสลายสีที่เห็นเนี่ยแตกสลายแต่ว่าสีที่แตกสลายเนี่ยนะก่อความสะเทือนใจให้มากที่สุดนะไม่ใช่ภายในนะกาเนี่ยนะถ้ามันเหยียบที่อื่นนะไม่ไม่มีปัญหาเลยนะเราจะไม่ค่อยเสียใจนะแต่ถ้ามันเหยียบใกล้กลกลตาเรานะี่เอ๊ะชักไม่คดีแล้วะ เนี่ยนะเรียกว่ารอยกากบาทอ่ะถ้ามันเกิดบ่อยๆนี่ก็ชักไม่ไหวแล้วนะตามผิวหน้าตามแขนตามเพราะฉะนั้นมันพวกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันสลายไปหรือว่าจักรคูวิญญาณต้องสลายไปถ้าไม่มีตามีสีจักรคูวิญญาณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอาศัยจักรคูกับรูปจักรคูวิญญาณจึงเกิดจักรคูวิญญาณก็สลายไปจักรคู่สัมผัสก็แตกสลายเนี่ยนะสาอย่างประชุมการตาสีจักรคูวิญญาณสอย่างประชุมนี้เรียกว่า จกักขูสัมผัสจกักขูสัมผัสอันนี้ต้องแตกสลายไปพอทําไม่ได้องค์ประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งจักขู่สัมผัสก็ไม่ไม่มีแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ต้องแตกสลายเนี่ยนะความรู้สึกที่มาจากมาจากตานี่นะสิ่งนี้ก็ต้องแตกสลาย มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเนี่ยนะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่ารากก็ไม่เที่ยงเปื่อยเน่าเนี่ยนะผุพังลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปลวนผุพังไปใบก็ไม่เที่ยงแปรปลวนผุพังไปถามมีคนถามว่าแล้วเงาของมันเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเงาของต้นไม้เนี่ยนะเที่ยงไหมไม่เที่ยง เพราะอะไรเพราะว่ารากก็ไม่เที่ยงลาต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยงแล้วเงาจากเที่ยงมาแต่ที่ไหนฉันใดก็ดีตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจิตเห็นก็ไม่เที่ยงภัษะก็ไม่เที่ยงแล้วความรู้สึกที่เกิดจากการเห็นจากเที่ยงมาแต่ไหนเียนะแต่ว่าผู้ที่ศึกษาอย่างนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าตาเป็นกรรมชรูปสีบางอย่างเป็นกรรมชรูปจิตเห็นเป็นชาติวิบาก นะภาษะเป็นชาติวิบากเวทนาในบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นปัญหาข้อต้นๆเลยที่จะต้องรู้ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาจะเข้าไปถามสมณะพราหมณ์ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษคำว่ามีโทษไม่มีโทษก็คืออะไรเป็นกุศลอกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องแยกแยะปัญหาเหล่านี้ออกตั้งกั้ต้นแล้วต้องไม่สับสนเรื่องกุศลและอกุศล ถ้าไม่สับสนเรื่องอกุศลอกุศลเนี่ยนะจึงมาพิจารณาว่าโอ้ตานี่แตกสลายสีที่เห็นก็แตกสลายจิตเห็นก็แตกสลายภาษะเวทนาก็แตกสลายธรรมะเหล่านี้เลยเรียกเชื่อว่าโลกแต่ถ้าหากว่ากรรมสกตาไม่ดีโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เทียเท่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างทำไงละครนี้อุดเฉททิฏฐิเลยเนี่ยนะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างเออไปเที่ยวต่อดีกว่าจะได้รีบใช้ให้หมดก่อนที่มันจะพังไป ว่าเป็นนั้นนะตรงกันข้ามเลยศึกษาคําสอนไม่ดีนั้นหยิบยกข้อความตอนใดตอนหนึ่งมาก็สร้างความเสียหายให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าจักสุต้องแตกสลายรูปต้องแตกสลายจักขูวิญญาณแตกสลายภาษาแตกสลายเวทนาเหล่านี้แตกสลายไปคําพูดอย่างนี้อยู่ในระดับปริญญาขั้นไหนสงเข้าลงปริญญาสามไปริญญาขั้นไหน เขบอกว่าตาต้องแตกสลายสีแตกสลายจักขรวิญญาณแตกสลายภาษะแตกสลายเวทนาแตกสลายเป็นคําพูดระดับใดสงเคราะห์โดยปริญญาสามเป็นลักษณะตีระปริญญากับปะหานะปริญญา<ม>เนี่ยนะแล้วแต่ว่าใครถ้าคนที่มีความสามารถสูงก็เป็นปะหานะปริญญาเป็นอนุปัสนาไปแต่ถ้าเบื้องต้นแรกเริ่มก็เป็นตีระปริญญาเป็นการเข้าไปไข้ครวว คนที่ใขค้ควรจนชำนาญก็จะเป็นตีรนะเป็นปหานปริญญาเพราะจะละความวิปลาดได้